กานั่งให้เรียบร้อยกลัวยุงกัดก็ให้ผมผ้าดีๆนอนช่างหัวมันเถอะเอาผ้า ป, ปกไหลปลกง่ายดีๆกัรนึกถึงพระพุทธธรรมประทงในใจแล้วก็ตั้งใจตั้งใจด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วฟังให้ตั้งใจไว้ข้างในรักษาใจไว้ข้างใน เสียงทุ่มไยเสียงแหลมมบดีการภาวนานะให้เราเรียนพยายามที่จะปลูกศรัทธาของเราไว้สม่ำเสมอคือในขณะที่ใจของเรานั้นยังไม่มั่นคงพอสมาธิยังไม่พร้อมไม่บริบูรณ์เราต้องอสาสัยการปลูกศรัทธาของเราไว้เรื่อยๆ ความเชื่อความแน่วแน่ว่าสิ่งที่เราประกอบพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นทางให้ได้เราเราได้รับความสุขใจในปัจจุบันเราเป็นทางให้เกิดสติปัญญาในการที่จะถ่ายทอนบางสิ่งที่ไม่ดีออกจากกิจใจของเราได้ในด้านปฏิบัติ ฝ่ายภาวนาใหม่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บาเพ็ญว่าโดยยอก็คือสินสมาธิปัญญาหรือว่าปฏิบัติตามองของมักมักปีองแปดใ่ 8. เราพากันทำความข้าใจว่ามักนั้นมีองแปดมักแปลว่าทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ บางคนเข้าใจผิดแม้ตังซื้อคือมันก็ยังเขียนผิดว่าว่ามักแปดว่าทางแปดแผงทางแปดสายจะไปทางไหนก็ได้เขาว่าอธิบายนั่นละ่ะอธิบายผิดไม่เข้าใจแล้วก็เขียนไปแต่อย่างนั้นมากกว่ามีมีถะาแปดทางแปดเส้นที่ไหนกัน มักมันมีทางมักมันใช่ไหมหนทางธรรมดาเนี่ยให้ถึงทางดำเนินหรือปฏิปทาขรอปฏิบัติดำเนินไปเพื่อความคนถุกล้วปฏิบปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามักประกอบด้วยองค์แปดตางๆคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทังตปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันฐะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมเป็นแปดมีทันยย่อสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเรียกว่าปัญญา สัมมาวาจาสัมมากรรมตะกับสมาชีวะนั้นเรียกว่าศีลสัมมาวาจามะสมาสติสมาสมาธิเรียกว่าสมาธิที่รวมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที้ท่านเรียงเราเรียกกันเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาขึ้นก่อนแต่ตามองคมากกว่า ปัญญาศีลและสมาธิอยู่ทายนุนี น, นี้ในทางที่ท่านใหม่ปฏิบัติที่ที่ปฏิบัติกันนุนท่านเอาตามหลักของวิสุธทธิตามหลักของวิสุทธิเจ็ดทีเราวิสุธทธิจิตตวิสุธทธิแลวก็ ทีฏฐิวิสุที่ก็หมายถึงสีนสมาธิปัญญาแต่มันในหมายความมันเป็นการขัดกันหรอกในองค์มรรคนั้นท่นานใช้ให้เอาใชาปญญา้ปัญญาซนะก่อนปัญญาต้องหมายถึงปัญญาธรรมดาซะก่อนไม่ไหนถึงเป็นหมายถึงปัญญาในองค์มรรคโดยตรงอย่างเปอนอนโลมเข้าไป ปัญญาในองค์มาก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิหมายถึงรู้เห็นในอริยสัจสี่ใจนะ่ะรู้เห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุ ท, ทยัยนี่คือนิโรดนี่คือมรรคใจมันเห็นขึ้นมาตามความเป็นจริงอย่างนั้นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ดำรีกหมายถึงวิปัสสน า, าญาณ สิ่งที่จะออกจาิกการรมส่วนศี่งที่สมาวิจารสมากรมปะมันตะละสมาชีวันมันเจตเป็นเจตสิกหรือเจตนาที่เกิดขึ้นส่วนไม่ต้องไปบําเพ็ญอั น, นั้นขอแต่ว่าความมายามะส ม, มาสติส ม, มาส ม, มาที่เกิดขึ้นสิ่งก็เกิดขึ้น ขึ้นภายในเองแต่ศีลที่เราปฏิบัติคือสมทานกันนะเป็นฝ่ายหยาบปกติแล้วก็ต้องมีข้อปฏิบัติให้สมทานกันเพราะว่าบางพวกบางเราถ้าไม่ไม่ถูกบังคับซสบ้างมันก็ไม่รักษานะ ออไปตามเรื่องตามเล่าท่านจึงให้เจตนาจงใจคือรับศีลไม่ใช่รับศีลรับ ส, บสารณะด้วยท่านจึงแม้กว่ารับสารณะและศีลหมายถึงกุฏธังธรรมังสังขังเป็นคำปฏิญญาณตนพราพุทเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นศาลาที่ซึ่งในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสามครั้ง เป็นการปฏิยาณตนแต่ทีนี้ถ้าใจของเราได้สมาธิแล้วจะสมาธานนม่ง่สมาธานอภัสราธรรมกศกส่งก็มีในใจแล้วแต่กานปฏิบัตินะจะไม่ต้องไปสมาธานต้องตั้งใจอยู่น้อยบ่อยๆเพื่อใใจของเรามันคุณจะเป็นไปได้อีกในข้อมรรคทว่าสมาทิฏฐิข้อตน คือคนเราที่จะมาให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาได้อย่างนี้ต้องได้ฟังก่อนต้องได้รับได้ยินได้ฟังเสีก่อนอให้ทานมันดียังไงรักษาศีลอย่างไงดียังไงเจริญภาวนาดียังไงนั่นต้องได้รับฟังเสีก่อนอย่างที่ตามาแนะนำญาติโยมทั้งหลายให้ทําให้ปฏิบัติอยทุกวันก็ต้องการให้ มีสมาธิคือเห็นถูกต้องซยก่อน <c oughs> แล้วก็เพื่อเป็นการปลูกศรัทธาของทุกๆคนให้เกิดถ้ามีขึ้นว่าการปฏิบัติคือมาปฏิบัติเพื่อให้สินสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมีขึ้นมันเป็นดิงที่ดีแบบดีงามเป็นทางอย่างน้อยพวกเราก็ได้ความสุขใจสบายใจ ทางเป็นทางที่จะให้เราได้นักมรรคผลเป็นทางให้ใจของเรานั้นแน่นอนแน่นอนทางกติแม้พวกเรายังไม่ถึงกระแสปติภาก็ยางใกล้สุคติคือมโนสมบัติสวรรคสมบัติแน่นอนปีจ่ายแน่วแน่นี่แต่ยอมไม่ผิดพลาดอันนี้หมายถึงอย่างจำ เราก็ยังอุปิเป็นอุปนิสยเป็นทางง่ยอย่างน้อยกาลังให้ทานนักษาสินจเจริญภาวนาแต่ว่าให้พวกเรายังไม่ได้มักได้ขนหรอกแต่ว่าเพราะอาศัยความเลื่อมสมั่นคงในพระพุทธเจ้า่าทำตามสูงเรื่องเรื่อมสในธรรมคำสอนของพระพเจ้าหรือเรื่อมสว่าการปฏิบัติตามสินสมาธิปัญญาเท่าไหร่นะมั่นคงกันนี่ใ่ก็แน่นอน อยงังมาถึงมรรคผลก็ยังมีสุขติเป็นที่ไปในไปไปในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งชั้นตูดเศชั้นเดาดึงชั้นตูดเศษนี่เป็นต้นทีนี้ในสวรรค์นะเป็นสวรรค์ที่ชั้นมีอายุนานสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือจาตูมชั้นจาตุม เป็นทันมหาลาภทั้งสี่ของมีอายุก็ห้าร้อยปีทิบาปีทิพย์นี่ท่านนับอายุมนุษย์ก่อนว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของมันของเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นนั้น เท่ากับอายุวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับห้าสิบปีเท่ากับร้อยปีในเมืองมนุษย์อ่อะเรากะห้าสิบปีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับร้อยร้อยปีของมนุษย์ เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาก็ลองนับดูตัวของเขาแล้วเขานับพันปีนับพันปีร้อยแล้วก็วันก็นับเป็นเดือนโดยเดือนิเดือนทิพนั่นแหละนับวันสามสิบวันก็เป็นเดือนก็ของมนุษย์มึงอะของเขาเนี่ยของเราตั้งร้อยปีของเขายังวันหนึ่งคืนหนึ่งในเมื่อ เราได้สร้างวุ่สร้างโกนห ร, รได้ทำนี้พวกเทพพวกเทวดาที่ได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้ดีแล้วแม้จตบัไดมรรคผลเขาจะไม่ลงมาเกิดหรอกในสมัยที่มนุษย์ี่ยุ่งอยู่ในมนุษย์ที่กำลังฆ่าม อ, องเบียดบีนพวกเหล่านั้นเขาจะไม่มาเกิดจะมาเกิดจะพอในสมัยที่พระ พระพุทธเจ้าพาดียบุคคลทั้งหลายท่านอบัติขึ้นมาแล้วท่านจะจะมาเกิดเรียกว่ามาในในเกิดในกลุ่มของท่านผู้ดีจะมาด้ไปเกิดจะไม่ไปเกิดในกลุ่มของคนชั่วชาเลยสามคนมิชาทิฐิคนไม่เห็นคนเห็นผิดฉะนั้นเราจะได้ข่าวว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าเมาบัตแล้วเนี่ ประชาชนทั้งหลายที่ได้เดื่อมใสในพระพุทธเจ้าียงฟังธรรมนิดหน่อยทํานั้นก็ได้บรรลุมรคลแล้วละ่ะอายุเพียงเจ็ดขวบหนึ่งกับบรรุมรคนนั่ น, นแห ล, ละอย่างนี้เป็นตน้นเราก็ได้อาจจะจันใจว่าทําไมสมัยพระพุทธเจ้าทําไมจึงป็ น, นคนบัดบรรลุมรคนเอาเสีย ง, ง่ายๆอย่างนั้น เราคํานึงถึงเหตุผลของกรรมแล้วนะไม่ใช่เป็นของเหลววิสัยเพราะว่าท่านเหล่านั้นบําเพ็ญบา ร, รมีมาสุขงอมแล้วพอมาเจอพระติเจา้าแนะนํานิดเดียวท่า น, นก็ได้ช่องทางท่านเพราะว่าท่านมีมูลมาเดิมอยู่แล้วหมายค่าว่าชาติก่อนโน้่นในบำเพ็ญเกือบเกือบจะสําเร็จแต่ว่ามันยังไม่สําเร็จมันตายก่อน กันจึงไปสู่สวรรค์เมื่อพระพุทธเจ้ามาอุปบัติเกิดท่านก็มาเกิดกันอย่างพวกเราในสมัยที่พระพุทธเจ้าอุปบัติแล้วเราไม่มาเกิดที่ไม่มาเกิดนั่นก็เพราะาบารมีของเรามันอ่อนไปหน่อยหนึง่งยังไม่เจอพระพุทธเจ้าแต่สมมติว่าถ้าพวกเราไปเจอพระพุทธเจ้าในสมัยที่ ยังไม่มีทางที่จะได้มรรคผลบารมีพวกเราก็สูงกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่นี่ก็พรายังมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้เคยผ่านแต่พวกเราก็มาในศาสนาที่ผายซร้อยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเรานั่งยังมามีบรารมียังมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังได้มาบําเพ็ญในสาวกทั้งหลาย แต่ครั้งพุตธการแต่บางองค์ก็ปรากฏว่าได้สร้างบา ร, รมีมาหลายกับหลายหลายกับหลายกันเหมือนกันจึ่งไหนบาบรรลุมรคนกันงานที่เราปรพฤตปฏิบัติที่ไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานสําหรับข้ามเป็นงานปฏิบัติสําหรับที่จะข้ามพ้นาชาติชราพยาธิมรณะไม่ใช่ทางา น, นเล่น นั้นจะเราจะเอาปรับปุับปรับให้ทันใจนะมันย่อมไม่ได้นั้นเราเราจ้องเชื่อตามหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้เราดำเนินก็ดำเนินตามมรรคแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไวน้นั่นเองมื่อเราดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แ ล, แล้วมันก็ต้องนำพวกเราเข้าสู่ทางสุคติหรือเข้าสู่ทางมรรคผลแน่นอน สมาธิเมื่อเราความมีความเห็นเห็นถูกต้องให้ทานดีรักษาศีลดีจเจริญพรมันก็เป็นการให้เราก็ทําหรือประกอบทีนี้ที่ให้สร้างศรัทธาอยู่บ่อยๆนั้นก็เพราะว่าทั้งๆที่พวกเรานะังมองเห็นว่ามันดีแต่ว่าความขี้เกียจขี้คานความเอาใจใส่มันก็ต้องมีบางทีทําไปตำมาเหนื่อยวันนี้ทำไมต้องภาวนาะนอนซะหน่อย ในหลับไปส่งเดชว่าได้ภาวนาส่งเดชมันยังประมาทอยู่ที่ประมาณมันก็เพราะว่าไอสติสมาธิยังไม่เกิดบริบูรณ์ปิติปามโมตมันไม่มีเพราะมันมันมีมาไม่พอในถ้าใจของเราเนี่นะได้สมาธิอันมั่นคงดีแล้วนะในความเกตค้านมันไม่มีแล้วในที่จะมาไหว้พาสวดมนนั่งภาวนามนไม่มี ความเกลี ย, ยดแค้ดูมันหายไปหมดตรนนีน้แต่ถ้าหากว่ายังยังขั้นขึ้นลงๆอยู่เนี่ยมาบ้างไม่เอาบ้างก็ขยันขึ้นมาบางที่กทเกลียดขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราต้องใช้ปัญญาของเราหนุนเข้าไปหรือใช้ความระเ บ, บียบที่ถูกต้องอย่างใจสัมมาสังกัปปะในองค์มรรคแหละ พินาถึงเหตุถึงผลพินาทางได้ทางเสียขึ้นมาอย่างเราก็เรียกว่าเราปฏิบัติด้วยปัญญาไม่ใช่ปฏิบัติ ด, ด้วยงมงายเมื่อเราเพียรเราพยายามเราทําอยู่มันจะไปไหนอะ่ะที่จาสอนเราให้เชื่อให้เชื่อกำไม่ใช่เชื่อยอย่างไม่ใช่เชื่อเราไปอ้อนวอนขอให้เราได้อย่างเป็นอย่างนั้นขอให้เรามีอย่างนี้มันไม่ได้เนาะไปอ้อนวอน ทำไปเรื่อยๆถึงเ่าให้มีให้ตั้งความเพียรลงไปความเพียรความเพียรนั้นต้องมีสองอย่างคือความเพียรเป็นไ ป, น ป, นปนในกายกับความเพียรเป็นไปในจิตความเพียรเป็นไปในกายนั้นน่้มนหมายถึงเดินจง ก, กรมและนั่งสมาธิบ่อยๆความเพียรเป็นไปนในจิตคือเรารักษ า, าจิตที่นี่ รักษาจิตใจของเราเรื่อยๆการรักษาจิตนั้น<ๆ>ก็มีสองวิธีโดยกันคือวิธีที่หนึ่งนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านเคยรู้อะไรเลยก็จำเป็นจะต้องต้องผูกใจไว้ในกรรมาฐานอย่าว่านึกพุทโธอยู่บ่อยๆนึกพุทโธอยู่เรื่อยๆ วันหนึ่งวันหนึ่งให้นึกได้หลายๆครั้งไปไหนมาไหนก็นึกพุโทโธอยู่เลยจนใจใน่ะคุณในพุโทโธในอย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาใจไว้กับพุโทโธเมื่อเราเพี ย, พยายามรักษาได้อยู่อย่างนั้นไม่ช้ายจิตเราก็จะแต่เราความสงบเองอยู่เรา ต, ตั้งใจไว้ก่อนนอนเรากลับาพักไว้พักก็นึกพุโทโธทีนี้ เตอนอยก็ตั้งใจว่ายแล้วนึกพุโทโธออกแล้วก็ตั้งแกวแต่นี้ไปแล้วจะนึกพุโทโธเรื่อยๆจะไม่เลือกอริบุตรอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนึกมันจะเรื่อยๆมันก็คุ้เคยคนสุดท้ายใจมันเป็นพุโทโธเองนั่นเลยเป็นเองพอเราตั้งไว้าแม้ขณะนอนหลับไปยังมึงยังไปนึกพุโทโธอยู่ เราะนันเรื่องไาใจมันทำานในการนี้อีกแบบหนึ่งนี่เนี่ยการรักษาใจการรักษาใจนั้นสำหรับผู้ที่เคยฝึกหัดจิตพอมีที่ตั้งมีที่หมายแล้วรักษาจิตด้วยการกำหนดรู้กายไว้ไปไหนมาไหนก็รู้ตัวเอง อยากทำประกอบกี่ล้าก็ต้องรู้ตัวเองอยู่นันมันก็เป็นไปได้เพามันไม่เครีบเมืจะเราตั้งใจไว้สหนดรู้ ก, กายไปด้ืย ร, รู้ตัวเองในการทำพูดคิดจะทำจะพูดจะคิดพร้อมทั้งรู้กายไปหนึ่งพร้อมทั้งทาการนั้นนะั้นไปด้วยใแบบหนึ่งี่แบบหนึ่ ง, น, ง, น, งนะว่าคลองว่าคลองใจก็เราเข้าที่ตั้งบ่อยๆ นี่ก็หมายค่ะว่าวเราเคยมีที่ตั้งของจิตแล้วไปไหนมาไหนแล้วก็เรียนพยายามดึงความรู้สึกมาตั้งอยู่ในความรู้สึกหรือประคองเข้ามาเรื่อยๆประคองเข้ามาตัวนั้นแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆเราไม่ได้ปล่อยวิ่งออกไปแต่ประคองใจเข้ามาแต่เราไม่ได้จดจ่อในที่ตั้งฐานที่ตั้งหรอกเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าประคองมาเรื่อยๆทํางานนี้ก็นอมเข้ามาเรื่อยๆ ใจก็ไม่เผอทีนี้ถ้ า, ากว่าเรานั่งปกติผู้ที่กำลังฝึกหัยใหม่ๆแ ม, ม้จะกำหนดลมหายใจหรือจะภ้าพุทโธมันก็ไม่ได้ค่อยจะได้งานเท่าใดดอกคืกทุกขเวทนาทางกายมันมี นั่งไปนั่งมาบางคนนาสิบสี่สิบ้าทีเจ็บแข้งเจ็บขาแทบแย่แล้วแล้วบางคนเพียงสามสิบนาทีก็แย่แล้วบางคนเพียงเพียงห้านาทีสิบนาทีก็กือบไม่ไหวไม่เคยนั่งเจ็บปวดแม้แต่กาหนดลมมันก็ไม่อยากอยู่แล้วเพราะถ้ามันเจ็บแข้งเจ็บขาขึ้นมาแล้วแม้แต่ย่าพูดโทมันก็ไม่อยากว่าแล้วมันเจ็บขาปวดแข้งปวดขาอย่างนี้ นั่นแหลเวลาฝึกหัดใหม่แม่เราจะนั่งมีกําลังได้แค่ไหนเราก็เปลี่ยนท่าไปตามเอกการณ์นั้นๆของมันจนกว่ามันจะชนานาแล้วมันก็เป็นเองคือเราต้องฝึกกายมันก่อนภายใ น, นถ้าเราฝึกหัดนั่งมันมั่นเขามันก็ทนทานได้มากขึ้นอยพร้อมทั้งเรากำหนดกรรมาฐานไปเรื่อยๆสมมว่ากําหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธดังที่สอนนั่น กำหนดไปกำหนดไปนานขานาดก็เจ็บขาแล้วทีเนี้อ่ามันเจ็บขามันก็เจ็บจนมันก็วิ่งไปหาขาเวลาทีนี้ไปวิ่งหาที่เจ็บแนละ้ยมันไม่ว่าพุโทโธ ม, มันไม่กำหนดลมล้วละทีนี้ผนสุดท้ายก็เลยถอยแล้วนั่งไม่ได้นั่งไม่ไหวแล้วอ่็ถอยและดังนั้นเราต้องเขยพยายามเวลาเรามีเวลาคือเอากำหนดไว้กำหนดเอาวรา เราจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่งวางนั้นกำหนดนั่งชั่วโมงนั่งไปเราจะเอาพุทโธกขบุทโธอย่าไปสงสัยจเจ้ากำหนดลมก็กำหนดลมเอาวุทโธต้องมีจุดตั้งข้างในเอาพุทโธนึกอยู่นัะที่นี่ทำไปทำไปถ้าทามันเจ็บขาทีเจ็บแคงเจ็บขาก็ลองทนไปดูก่อนต้องไปถึงไหนอ่ะ มันเจ็บมากเอาเราก็เปลี่ยนท่าละนั่งคัดสมาธิวะก็นั่งรอเปลียบซ้ายขวาเอามันทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งขัดสมาธิเอากําหนดให้มันถึงชั่วโมง ก, แก็แล้วกันที่เรากําหนดไว้เราก็จะสู้ต่อไปมันก็คน เ, คยเขย่ามันจะเรียกว่ากําหนดกิตนานได้นานขึ้นจะมาเคยสู้เพราะว่าปกติตามาะคนอ้วน นั่งมันก็จะทนในขณกกาที่ฝึกใหม่ใหมนั่งเด้อเด้อเทํา น, นั้นหมดถึงสามสิบนาทีลงมันเจ็บแข้งเจ็บขาเนื้อมันหลายแต่นั่งมันทับเนื้อก็เก็เบสู้ไม่ไหวปกติต้อมาใช้เดินมาขณะที่ภาวนาใหม่ฝึกตั้งแต่โน่นแต่สมัยเป็นเนนนั่งไ่วได้นั่งไม่ไหวเจ็บแข้งเจ็บขา เอาเดินเราเป็นประมาณเดินก็เดินพุ้โธนแะต่ก่อนภาวนาพุ้โธนล่ะกับผู้โธก็ไปตามเรื่องตามแล้วก็บพุทธวัตพุูโธกับพุทโธไปตามเรื่องเมื่อ่ล่ละเหมือนกับยางเหมือนกับยางที่หลวงปู่มั่นท่านสอนในภาวนานั่ยก็ภาวนาพุ้โธอย่างนั้นแหะสมมาธรรมบางครัง้งจิตมันก็ห้อยไปทางอื่ น, นบา้างก็มีบางครั้งก็เอาแล้วก็ดึงควาอีกนึกผู้โธอีก แต่เมื่อทํานามมากๆเข้ามากเข้าตอนเช้าก็เดินพกขันเข้าแล้วเท่า น, นั้นแ่ะตั้งแต่ข้าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงบ่ายสามโมงสี่โมงนึงถึงจะร่วมกันไปกวาดอยู่ป่าวัดป่าไปกวาดหญ้ากวาดโูนไปตักน้ําตักท่าอาน้ำเอาท่าแล้วรวมกันไหว้พระเอาไหว้พระในทรัพย์ก็ลงมาท่านไหว้นานงที ปฏิบัติก็มาเดินโย ก, กมอีกพอเดินย ก, กมือพอมันถ้าเดินเดินแจ้งค่อยเดินได้ดีหน่อยหนึ่งถ้าเดินมื่อดมก็จะไหวเมืดก็จะไม่ต้องอาศัยการนั่งแล้วทีนั่งไปนั่งมาก็ไม่เกิดแต่เดินแต่ทไอไลเราก็นั่งพิกไปพิกมาที่ว่าแต่ทีนี้ลองสู้อยู่เอานั่งมันเจ็บแข้งเจ็บขาลอง ลองสู้มันหน่อยสิมันจะเจ็บตลอดตอนไหนบ้างลองนั่งดูนั่งอย่างบวชถึงชั่วโมงเจ็บขาอีกแล้วประมาณสักสี่สิบห้าปีไปนะหนอมันเจ็บขาน้อเปลี่ยนไหมเอานั่งพับเขียบทีนี้นั่งไปอีกเอาอีกแล้วบวททำถึงหนึ่งสามสิบนาทีเอาอีกแล้ ว, เ, ออลวเจ็บอีกแล้วเอาเปลี่ยนไหมแต่บวลุกนะ ไปต่อไปต่อไปนี่เจ็บมากถึงชั่วโมงโ ต, ต๊แย่เหลือเกินไอ้สันขานะังน่องนะ่ะมันเจ็บเหลืเอเกินจำไปแล้วะโซไปอีกได้ชั่วโมงแล้วเอาไปอีกเอาสองชั่วโมงนั่งไปอีกก็เจ็บอยู่งั่นนักพลิกไปพลิกเอามาอยู่อย่างงั้นพอชั่วโมงที่สองโอทุกเรามาหน่อยให้เจ็บไปหน่อยชัวงโงที่สองอะนะ วันนี้สู้ไปเอาเอาชั่วโมงที่สามอีกนะพอเข้าชั่วโมงที่สามกลับหายหมดไม่เจ็บไม่ปวดเลยทีนี้นั่งได้แค่นี้เออมันกลับเป็นอย่างนั้นไปที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในระยะแรกๆเส้นเอ็นเส้นของเรามันรัดเรืองกล้ามไป่ยืมรัดเรืองมากเจ็บแทงเจ็บขาทีนี้เมื่อนานเข้านานเข้ า, น า, นขาไอเส้นเอ็ N, มันก็ได้ตัวรัดเึงเข้า เข้าที่กันได้มันก็เลยหายเจ็บนะเป็นอย่างนั้นอันนี้ว่าถึงวิธีทรมานตามธรรมชาติวิธีทาตามธรรมชาติธรรมชาติถ้าว่าได้ชั่วโมวงที่สามแล้วมันหายเจ็บแล้วหรอคบพลัลตนาไตรพอดีมันเจ็บหายปวดทันทีนั่งได้นานเลยสู้ได้ ขณะที่นั่งไปเหมือนกดพลิกไปพลิกมาเราลองนั่งแหละครั้งแรกเราก็ทนทนเอาหน่อยนึงมันเจ็บมากๆก่อนจะเปลี่ยนมันเราก็จะได้นั่งนานหน่อยนึงทีนี้ลองมาใช้วิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกให้กําหนดรู้ลองทดลองใช้ดู เ่อกำหนดลมหายค่ะว่าในขณะที่เรานั่งะเราจะไปกำหนดกรรมาฐานอื่นนานแต่ว่ากำหนดลมหายใจพอกำหนดหายใจเข้าออกพอสมควรแล้วเราก็ตั้งจิตกำหนดจิตผมได้จดูหรือเราจะนึกพุโทโธพุโทโธพุโทพโธตั้งก็ได้จิตอย่าให้มันนานถ้ามานานเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจ็บขาก่อนกำหนดลมหายใจเข้าออกไปไม่จะจะเจ็บแข้งเจ็บขาซะก่อนนะี่ยนะ เมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าออกพอเป็นที่สบายพอตั้งใจได้แล้วเสร็จสับต่อจากนั้นก็กําหนดรู้กายเลยทีนึงขอความรู้สึกที่กายนี่น่ะมันจะเจ็บมันจะปวดอย่างน้งก็รู้อยุ่กายทั้งตัวเนี่ยรู้สึกตัวทั้งหมดนี่รู้อยู่ที่นี่มันจะเจ็บจะปวดยังก็รู้อยู่ที่เนี่ยอย่าให้จ้าไปที่อื่นเราไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปจอบไม่ต้องไปเพ่งอ่ะที่มันเจ็บมันปวดอะไรทั้งนั้นอ่ะกาหนดรู้ทั้งหมดนี่ทำความรู้สึกตัวทั้งหมดนี่ มันเจ็บปวดบองกันแต่มันไม่หมางนะักพอทนได้ทุกเคยธานาที่มีอยู่ของกายเจ็บแข้งเจ็บขาปวดได้นี่รู้ข่าปว ด, น, ปวดนิดๆหน่อยๆนี่เป็นลักษณะที่เรากําหนดทุกกําหนดรู้คืออาใจเพราะเรามารู้อยู่ที่นี่รู้อยู่ที่กายทุกทางกายนี่ทุกที่กาย นี่วะทุกที่กายทุกโดยที่กายกําหนดรู้ที่กายทําความรู้สึกอยู่ที่กายนี่แหละรู้อยู่ที่นี่กําหนดรู้ไว้ทั้งตัวนั้นประเดีอะไรทางนั้น น, นี่ทั้งกําหนดรู้ไว้ไว้ด้วยแล้วกําหนดใช้การพิจรารณาคือใช้จิตด้วยใช้ความคิดด้วยนับลงมาอย่างที่พาสวดเกสาคือผมทั้งหลายลงมาคือคนทั้งหลายนะั้นนับไปเหอะให้มันวิ่ง ให้ใจมันวิ่งไปตามเรื่องราวนั้นนะเอาสักรอบสองรอบสามรอบให้มันว่าอยู่อย่างนั้นแล้เสียหรือเราจะนับภาษาว่าขมขนเล็บขับผมเขาก็ยกขึ้นไปที่ผมนต่ที่สีขาวแล้วมันไปอยู่นี่ผมข น, ขนก็ไล่ตัวของเราผมขนมันมีอยู่ทั้งสะพางกาย เ, ยเต็มหมดเลยเล็บฟันหนังเราไล่ไปตามที่ส่วน พอจะว่าจบแล้วก็เอาอีกใจของเราไม่จะได้ทํางานตามหน้าที่และตามหลักมันจะไม่วแบแบวบเห็นไหมเมื่อเราใช้ความคิดไปตามมันก็จะเหนื่อยนะทีแต่เราใช้จิตคิดแต่อารมณ์อันเดียวลนะมันเหนื่อยใจเหนื่อยนะี่ไม่เหมือนกับอันที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติให้มันว้อยมันไม่เหนื่อยนะมันได้หลายอารมณ์พอเอารมณ์นี้พับ เอาเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่นพับมันอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนสลับไปสลับมาใจมันจึงไม่เหนื่อยกําหนดรู้อยู่ที่กายเมือ่อกําหนดรู้อยู่ที่กายแล้วนี่เอาเพียนไหมจะต้องดูมนันนะดูทั้งตัวน่ะตัวของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะให้ทําเหมือนกับเรามองดูคนอื่นเหมือ น, นกันยกเพียนพยายามลองยกขึ้นสูงๆส่งสองลงมา สอมัตติสีสามันนั่งอนี้ตัวของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนเราเอาตาหนังดูคนอื่นอย่างนั้นนะมองให้มันเห็นเนี่ยเมื่อเราเพียรพยายามดูอยู่ เ, เรียกว่าดูกายถ้าเห็นกายขึ้นมาได้มันก็จะจับได้เนี่ยอีกก็จะเข้าสู่ความสงบลทันทีอันนี้เป็นวิธีกําหนดดูทุกนะแม้ไม่จะกําหนด ธรรมดาที่เรากําหนดรู้ทุกข์ก็เหมือนกันกนําหนดดูกายก็เป็นหลักวิปัสสนาเหมือนกันให้ใช้อย่างนี้ทีนี้ถ้าทุกข์ทุกข์มันเกิดที่ใจสิให้กําหนดรู้ใจกําหนดรู้ใจทํำยังไงให้เราประคองดึงความรู้สึกเข้ามาเอามาจดจ่อที่ตั้งต่ว่าที่ตั้งเรามอเอาเอาที่อกเป็นท่งปที่หมายประคองเข้ามาประคองความรู้สึกของเราดึงเข้ามาจดจ่อทางไหนนี้ มันจะมันจะทุกข์มันจะลำบากขนาดไหนมันจะเศร้ามันจะซศอยอย่างไดก็ไม่ไม่คำหนึ่งพอจะดึงความรู้สึกอ น, นั้นเข้ามาจดจ้องอยู่ตรงจุดที่ตั้งท้งแรกมันอาจจะกระดุ ก, กระดิกบ้างแต่เมื่อเราตั้งนานเข้านานเข้าก็จะคายออกไปความเศร้าใจหรือความไม่สบายใจหรือต่างๆนาง้มันมันก็จะค่อยคายออกไปเมื่อมันคาย่าแล้วปัญญามก็เกิดแล้วีริงเราก็ใช้ปัญญาได้แล้วถูก ทำจากอาระมานานๆได้อันนี้เป็นวิธีสำหรับกำหนดตามหลักอริสัต ท, ที่พุทธเจ้าวางไว้คือกำหนดรู้ถูกทุกกำหนดรู้ละไม่ได้ถูกอ่ะจะต้องมีสมุทัยพุทธเจ้าสอนให้ละนะใกล้ละเขาไปละทีนะกำหนดรู้รู้วงรู้กำหนดรู้ใจ่ า, ยานย มันเป็นเครื่องบันเทาหรือไม่ปล่อยใจเขาเราให้มันทะเยอะทะยานไปกับอารมณ์ต่างๆที่มันเดือดร้อนอ่ะนะีนี้ในองค์มรรคหน่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเราทําอย่างนี้เรียกว่าเราใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ข้อปฏิบัติทางเบ็ดเราเล่นสัมมาวายามะเดียนพยายามตั้งใจเดียนพยายามตั้งใจได้ตั้งใจรักษาใจในเองอ่ะ รักษาใจไว้ในพุทโธหรือสักรักษาใจไว้ในลมหายใจออกทําตามสมควรแล้วก็พยาพพยามเพียนพยายามกำหนดรู้กายดู ก, กายนี่นั่งนี่ถ้าเดินถ้าเดินจะกําหนดพุทโธด้วยก็ได้กําหนดพุทโธแล้วกําหนดรู้กายของเราเนอะกําหนดรู้ตัวเราเดินกลับไปกลับมาให้ใจคอนมาอยู่กับตัวกตัวกายเนี่ยเราฝังกายก็าเพียนพยาพยาม เมื่อมันเพียบพอมันบริบูรณ์มันพอจิตนก็จะส ง, งบไปเองจิตไม่